สิ่งหนึ่งที่มักเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะผู้ใหม่ไม่ว่าพระหรือว่าครวาดก็คือความเบื่อความเบื่อเป็นอารมณ์ที่นักปฏิบัติธรรมจำนวนมากเนี่ยประสบแล้วก็ทำให้เกิดความ เรียกว่าท้อแท้ในการปฏิบัติก็ได้เพราะว่าต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่จําเจรหรือถึงแม้ไม่จําเจเพราะว่าเพิ่งมาได้แค่วัน2วันแต่ว่าต้องอยู่ในอิรียาบถเดิ ม, ดมอยู่ในสิ่งแวดล้อมดเดิมๆที่สำคัญก็คือมันไม่มีสิ่งเล้าไม่มีอารมณ์ใหม่ๆ ที่จะมาให้เสร็จเพราะทำไมปฏิบัติก็คงจะเที่ยวหรือว่าไปพูดคุยหรือสมัยนี้ถึงแม้อยู่คนเดียวก็สามารถจะเชื่อมต่อกับผู้คนผ่านอินเทอร์เน็ต Facebook หรือว่าเล่นเกมเพิ่มความสนุกความตื่นเต้นหรือว่าความแปลกใหม่ให้กับชีวิต คนสมัย น, นี้เรียกว่าจะรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับความเบื่อมากนะแล้วก็เบื่อง่ายด้วยยิ่งมาปฏิบัตินะอยู่กับอิริยาบถเดิมๆสถานที่เดิมๆบางทีแค่ชั่วโมงเดียวก็เบื่อแล้วเพราะว่าสิ่งเสพสิ่งกระตุ้นเนี๋ยนี้มันมา ทุกสิบวินาทีทุกนาทีแม้ก็ทั่งดูโทรทัศน์เดี๋ยวนี้มันก็มีการเปลี่ยนภาพเปลี่ยนช็อตอยู่ทุกห้าวินาทีก็ได้ไม่ค่อยมีภาพที่มันจะแช่นานๆขนาดสิบวินาทีมันเปลี่ยนปับป๊บับเร็วมากไม่ว่าหนังหรือว่าโฆษณา้เราก็คุ้นนะ จงทั้งติดใ้อารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆพอมาปฏิบัติไม่ว่าในวัดหรือว่าในสำนักก็ตามเจออารมณ์เดิมๆ เ, เรียบวนเดิมๆแค่ชั่วโมงเดียวก็กระสับกระส่ายแล้วจริงๆเนี่ยความเบื่อนี่มม อ, มองให้ดีนี่มันมีนมประโยชน์นะ มันเป็นของดีเพราะว่ามันแสดงว่าชีวิตเราในเวลานั้นเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยมันไม่มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นพอถ้าเกิดว่ามีคนมาว่าเราตำหนิเรา แล้วก็คงจะไม่รู้สึกเบื่ อ, อต่อไปเราจะมีแต่ความโกรธหรือถ้าเกิดว่าของหายนะเงินหายโทรศัพท์หายก็จะไม่มีความเบื่อแล้วล่ะจะมีความเสียใจจะมีความเสียดายหรือว่าหนักกว่ น, นั้นถ้าเกิดว่ามีคนที่เรารักนะเขาจากไป ไม่ต้องถึงกับจากตายนะแค่จากเป็นเช่นคนรักเขาทิ้งเราไปถามว่าเราจะเบื่ อ, อมั้ยเราไม่เบื่อแล้วล่ะตอนนี้เราจะเศร้าโศกเสียใจอกหักหรือคับแค้นยิ่งถ้าคนรักนี่ไม่ใช่จากตายนะจากไม่ใช่จากเป็นนะแต่จากตายคือหายไปจากโลกเลยเนี่ยในความโศกเศร้ามันก็จะท่วมท้นใจ เพรงความเบื่อเนี่ยมันมองในแง่ดีคือมันเป็นเครื่องหมายว่าเราไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นเราไม่มีใครมาต่อว่าทําร้ายเราไม่มีความเจ็บความป่วยให้ต้องกังวลไม่มีความหิวความโหยให้รู้สึกต้องดิ้นรนกระสับกระส่ายความเบื่อมันเป็นสัญญาณว่าชีวิตเราราบรื่นราบรื่นไม่มีเหตุร้าย แต่คนเรามักจะไม่มองอย่างนั้นนะเพราะไปคิดแต่เรื่องความสนุกสนานความตื่นเต้นนะพอไม่มีมีความบัวมีความเบือเบ่อเกิดขึ้นก็ไม่เอาลนะทั้งๆที่ความเบื่อนี่แหละมันเป็นสัญญาณแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยราบเรียบราบรื่นปกติปัญหาอาจจะเป็นเพียงแค่ว่ามันราบลื่นะนานไปหน่อยแต่ก็ดีกว่า มีความโกรธมีความเสียใจหรือความเศร้ามามาแทนเราอยากจะได้แบบนั้นไหมความเบื่อฉันไม่เอาละนะถ้าไม่เอาความเบื่อก็เจอความเศร้าความเสียใจความหรือแม้กระทั่งความเครียดความหงุดหงิดอย่างนี้เราเอาไหมงั้นความเบื่อนี่จะว่าเวลานี้มันถือว่าแย่น้อยที่สุดแล้วนะถ้าจะเรียกว่ามันแย่ แต่มันก็จำเป็นนะเพราะว่าความเบื่อมันเกิดจากการทำอะไรซ้ำๆชีวิตรเราเนี่ยมันต้องทำซ้ำๆนะมันถึงจะเกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนาการที่เราเขียนหนังสือเป็นตัวกอไก่ขอไข่ก็เพราะเร า, าถูกถูกสอนถูกบังคับหรือว่ า, าถูกเขี่ยวเข็นให้ต้องเขียนกอไก่ขอไข่ เป็นพันๆเป็นหมื่นๆครั้งนะเลือจะเป็นแสาครั้งนะกว่าจะเขียนได้คล่องและสวยแล้วก็สามารถจะเรียบเรียงเป็นคําเป็นประโยคได้ภาษาต่างประเทศนะถ้าเรามีความรู้มีทักษะเน่นนั่นก็เพราะว่าเราทําอะไรซ้ําๆกันนะท่องอยู่เรื่อยท่องแค่คําเดี๋ย ว, ก, วออก็ท่องแล้วท่องอีกท่องแล้วท่องอีกจนก็มันจําขึ้นใจแม้กระทั่งในฝันก็ยังนึกหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษได้หรือว่าฟังคน ฝั่งฝรั่งพูดก็เข้าใจแม้กระทั่งในความฝันนี่เพราะทำอะไรซ้ำๆจริงๆถ้าหัวใจเราไม่เต็มซ้ําๆกันนะเราคงตายไปแล้วหัวใจเราเต้นนะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเราหายใจเข้าหายใจออกวันล า, าไม่รู้กี่หมื่นครั้งนะซ้ําไปซ้ํามานี่เราเป็นหนี้นะของการทำอะไรซ้ําๆไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพหรือว่าความรู้หรือความเจริญก้นาวหน้าในทางธรรมะต้องอาศัยการทำซ้ำๆกันซึ่งอาจจะมีการความเบื่อเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันก็ชั่วคราวนะพอเราคล่องแล้วนะก็เกิดความภาพภูมิใจเกิดนะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความเบื่อในการปฏิบัติธรรมนี้ให้ให้ตระหนักว่ามันเป็นเรื่องจิจ๊บจอยมากนะ จริงมันมีอารมณ์ที่น่ากลัวหรือว่าสร้างปัญหาให้กับเรามากกว่าความเบื่อเยอะนะนอกจากความโศกเศร้าเสียใจความโกรธความพยบาบัดแล้วอารมณ์หนึ่งนะที่มันยิ่งกว่าความเบื่อคือความกลัวความกลัวความกลัวเวลามันคล่องกำจใจแล้วนี่นะเราถึงจะรู้ว่าเ้ยเบื่อดีกว่านะและความกลัวนี่แหละมันทําให้คนเราเนี่ย ไม่ยอมพัฒนาตนไม่ยอมที่จะไปเจอสิ่งใหม่ๆยอมที่จะอยู่กับสิ่งซ้ำๆนะหลายคนก็นะอาจะอยากจะไปสัมผัสธรรมชาตินะอยากจะได้เห็นนะภูเขาเห็นทะเลเห็นแม่น้าหรือว่าเห็นต้นน้ำในเขาสูงแต่พอนึกว่าจะต้องไปนอนกลางดินกินกลางทราย ก็กลัวลำบากพอกลัวลำบากทํางานก็เลยไม่เอาอยู่บ้านดีกว่าคนเดี๋ยวนี้กลัวลำบากมากนะเวลาเจอความลำบากนี่ก็ไม่เอาแล้วก็เลยขาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับสิ่งที่มันอาจจะเป็นความแปลกใหม่แต่ว่ามีประโยชน์ก็เลยปล่อยให้ชีวิตจําเจไอ้จำเจไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันขาดการเรียนรู้ขาดประสบการณ์ใหม่ๆที่ทําให้เปิดรู้เปิดตา บางคนอยากจะมาปฏิบัติธรรมนะแต่พอรู้ว่าต้องมาอยู่ในป่าที่ไม่มีน้าไม่มีไฟแล้วก็ต้องอยู่ท่ามกลางความมืดอาจจะมีทุกแกจะมีนะยุงด้วยมแมลงด้วยถอยกรูดเลยนะเพราะอะไรเพราะกลัวลําบากเพราะกลัวความมืดเพราะกลัวมแวมลงกลัวทุกแกกลัวาสารพัด ส, สุดท้ายก็เลยไม่มีโอกาส ท, ที่จะได้ ได้ทำสิ่งที่ดีๆนะได้ทำอ่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจซึ่งจะมีคุณค่านะักธุรกิจหลายคนก็อยากจะทำอะไรที่มันแปลกใหม่นะแต่กลัวล้มเหลวเอาะกลัวล้มเหลวก็เลยจำยอมต้องทำสิ่งซ้าๆเดิมๆเบื่อก็เบือ่อนะแต่ว่ากลัวไม่กล้าทำอะไรใหม่เพราะกลัวมันจะเสี่ยงไปบางคนก็ อาจจะอยากเป็นศิลปินนะแต่ว่ากลัวว่าจะเป็นศิลปินไส้แห้งก็เลยเลือกเลือกเรียนวิชาที่มันจะมีที่จะมีอาชีพหาเงินได้ง่ายนะเอาความเอาความมั่นคงทางด้านวัตถุกไว้ก่อนเพราะกลัวลำบากก็เลยไม่ได้ทำสิ่งที่ชอบที่เป็นความใฝ่ฝันของตัวนั่นเจนได้ว่าคนเราเนี่ย สร้างกรอบจํากัดตัวเองหรือว่าสร้างคุกขังตัวเองในนามของความกลัวนะความกลัวที่มันกลายเป็นกรอบที่ขังเราเอาไว้ทําให้เราเนี่ยไม่ไม่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆที่มันทั้งที่ร่วมมีประโยชน์นะแต่ว่ากลัวลําบากกลัวล้มเหลวนะกลัวโน่นกลัวนี่เยอะๆเป็นหมดนั้นสิ่งที่สิ่งที่เราควรจะใส่ใจเนี่ยหรือคว ร, รควรจะตระหนักนะ มากกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ความเบื่อเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหามากกว่าคือความกลัวนะความกลัวนี่เป็นตัวอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถจะพัฒนาตนได้เจริญก้าวหน้าซึ่งอันนี้เนี่ยผู้ใหญ่เราสู้เด็กไม่ได้นะทารกเนี่ยมันเขาไม่ค่อยกลัวนะอย่างที่ได้คุยเมื่อตอนกลางวันนะว่าเด็กเขาเ้าเดินไม่เป็นเขายืนไม่ได้นะแต่ว่าเขาก็พยายามยืนเาก็พยายามเดินนัหน้าที่รู้ว่ายืนแล้ว เดินแล้วก็จะล้มแต่เขาก็ไม่กลัวเขาก็ไม่เข็ดเขาก็พยายามยืนขึ้นมาให้ได้แล้วก็พยายามเดินแล้วเขาก็ล้มแต่เขาไม่กลัวนะเขาก็พยายามยืนขึ้นมาอีกแล้วก็เดินอีกนะทอย่างนี้ซ้าแล้วซ้ำแล้วจนกระทั่งเดินเป็นนะถ้าเด็กกลัวเด็กก็จะไม่มีทางพัฒนาจากการคลานเป็นการยืนและการเดินได้ แต่เด็กเขาไม่กลัวนะเมื่อไม่กลัวก็เลยกล้าเสี่ยงเมื่อเสี่ยงก็เลยทำให้เด็กสามารถที่จะเดินได้เด็กรานั่นก็คือเราในวันนี้นะนะั่นแหละแต่ว่าไอ้ความกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆกล้าที่จะลองผิดลองถูกพอโตขึ้นแล้วนะมันหายไปหายไปก็เลยพอจะมาปฏิบัติธรรมก็เลยกล้ากลัวกลั ว, ก, ลวก็เลยติดอยู่ความสะดวกสบายอยู่ในเมืองนะ นั่นชีวิไม่มีทางพัฒนาดได้และสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือความกลัวนัสิ่งที่เราต้องใช้ต้องต้องหาทางนะสู้กับมันจัดการกับมันให้ได้คือความกลัวจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากลัวเนี่ยนะมันไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวฟังดูงงไหมสิ่งที่เรากลัวไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัว สิ่งที่เรากลัวคืออะไรบางคนกลัวความมืดแต่ความมืดมันก็ไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวมืดงั้นถ้าเรายัางกลัวความมืดอยู่นี่เราก็จะไม่กล้านอนคนเดียวนอนคนเดียวแล้วก็คิดปรุงแต่งสารพัดเพรที่ความมืดไม่มีอะไรเลยความมืดอาจจะปลอดภัยเรื่องไม่ใช่อาจารปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่เช่นความมืดที่วัดเนี่ยมันเป็นความมืดที่ปลอดภัยแต่เพราะความกลัวมืดก็ทําให้เรานอนกระสับกระส่าย ใบไม้ตกก็ตื่นเสียงตุ๊กแกร้องก็ผาวานะมดอ่าไม่ให้หมดหนูเดินเราปกติก็กลัวจนนอนไม่หลับบางทีก็ปรุงแต่งไปนึกถึงผีขึ้นมานะี้ความกลัวนี่แหละที่มันทําให้เรานอนไม่หลับไม่ใช่ความมืดนะความกลัวมืดทําให้เรานอนไม่หลับไม่ใช่ความกลัวมืดไม่ใช่ความมืดนะ ความล้มเหลวก็เหมือนกันนะความล้มเหลวมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเท่ากับความกลัว ล, ล้มเหลวพอกลัวล้มเหลวแล้วเลยไม่กล้าทาอะไรใหม่ๆนะก็เลยแช่ติดติดตันอยู่อย่างนั้นแหละจำเจโรคภายไข้เจ็บก็เหมือนกันนะมะเร็งก็ไม่น่ากลัวเท่าความกลัวมะเร็งนะหลายคนเป็นมะเร็งเขาก็มีความสุขใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ถ้ากลัวมะเร็งเสร็แล้วนี่นะแม้จะแม้จะไม่ ยังไม่เป็นมะเร็งเลยนะก็ทุกแล้วบางคนไปหาหมอนะหมอก็บอกขอตรวจชิ้นเนื้อหน่อยพอเอาชิ้นเนื้อไปให้มาฟังผลแค่รุ้ยต้องตรวจชิ้นเนื้อนี่ก็ภาวาแล้วแล้วยิ่งหมอบอกว่าอีกสามวันมาฟังผลอีกห้าวันมาฟังผลคราวนี้แหละ น, ะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเหมือนกับตกนรกเลย ท้างตที่ตอนนั้นอา จ, จะไม่ได้เป็นมะเร็งด้วยซ้ํำนะในความเป็นจริงอาจจะเป็นแค่เนื้อเนื้ อ, เ น, อ, เ, นอเนื้องอกที่ไม่อันตรายแต่พอกลัวมะเร็งเสร็จแล้วนี่นะมันก็อาการเพียบหนักเกี่ยวกคนเป็นมะเร็งสิมีคนหนึ่งเขาไปตรวจเป็นคนทํางานธุรกิจนะเล่นเทนนิสเป็นประจําวันหนึ่งก็ไปตรวจสุขภาพประจําปีหมอบอกว่า หัวใจรั่วก็ตกใจมากเลยเพราะว่าความเข้าใจเข้าหัวใจรั่วก็้ามาเขาบอกหัวใจเป็นรูรั่วแล้วก็เวลาเต้นเนี่ยมันก็บีบเอาเลือดออกมาเลือดพุ่งก็ฉูดอย่างนี้ก็ตายเล ย, เ, ยเพราะจริงๆเขาไม่รู้หรอกว่าหมอตั้งใจจะบอกว่าเขาเป็นลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตตามปกติได้อาจจะเล่นเล่นกีฬาได้ด้วยซ้ำแต่ว่ามันต้องรักษาแต่ว่ามันไม่ถึงกับว่า ตายสถานเดียวแต่พอเขาสร้างภาพว่าวาดภาพในใจว่าหรือปรุงแต่งในทางลบว่าโอย เ, เป็นหัวใจรู่วแบบนี้ฉันตายแน่กลัวกลัวตายขึ้นมาสองวันเท่านั้นแหละเข้าโรงพยาบาลเลยหรือโรงพยาบาลไม่กี่วันก็เข้า ICU แล้วก็ไม่ออกอมกเลยคือตาย ทางที่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากคือแค่ลรีนหัวใจรั่วแต่ความกลัวไงการปรุงแต่งในทางลบอย่างที่พูดเมื่อสองวันก่อนแล้วก็ปรุงแล้วก็ไปยุทธ์มั่นถือมั่นว่ามันจริงแน่นอนเลยแล้วก็เติมไปด้วยความกลัวเข้าไปอีกนะไอ้ความกลัวนี่มันทําให้ร่างกายสุด ท, ทั้งที่ก็ไม่ใช่ไปไม่ใช่ไม่ได้มีรีนหัวใจรั่วเลยไม่ได้มีหัวใจรั่วเลยเลยแค่กลัวว่าหัวใจรั่วแค่นั้นแหละร่างกายก็สุดถึงบอกว่าสิ่งที่เรากลัวเนี่ย มันน่ากลัวนั่นกับความกลัวนะคนบางคนเป็นมะเร็งพอบอกว่าหมอพอหมอว่าเป็นหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเท่านั้นแหละสุดเลยทั้งที่หมอทั้งที่ตัวอาจะไม่เป็นอะไรแต่หมอวินิจฉัยผิดนะมะเร็งไม่ได้เป็นแต่กลัวมะเร็งก็ทําให้สุดทันทีงั้นสิ่งที่เราควรกลัวเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะไอ้ความกลัวในใจต่างหากคือสิ่งที่เราควรกลัวแล้วควรจัดการ นี่จะจัดการความกลัวได้งไงนะวิธีจะจัดการความกลัวนี่ไม่ใช่การคิดเอาไม่ใช่การใช้เหตุใช้ผลว่าไม่มีอะไรน่ากลัวอันนั้นมันช่วยไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่จะช่วยได้คือการที่เข้าไ ป, ปเผชิญกับสิ่งที่เรากลัวเรากลัวอะไรต้องเข้าไปเจอกับสิ่งนั้นเรากลัวความมืดก็ต้องเข้าไปเจอความมืดนะถึงจะหายกลัวอันนี้ผู้เจ้าตัดไว้เองนะว่า สมัยที่พระองค์ปฏิบัติธรรมนะใหม่ๆเนี่ยพระอค์ก็เข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าก็กลัวมากนะพระอุทธจ้านี่ตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถนี ي กลัวนะกลัวความมืดกลัวป่ากลัวขนาดคนเนี่ยลุกชูชันเลยแต่ท่านก็จับหลักได้ว่ากลัวตรงไหนไปตรงนั้นกลัวอิเลียบทไหนกลัวกลัวในอิเลียบทไหนก็อยู่ในอิเลียบทนั้นเช่น กลัวเวลานั่งก็นั่งตรงนั้นแหละกลัวเวลายือนอ่ก็ยืนถ้ากลัวขณะที่เดินก็เดินนะกลัวตรงไหนไปตรงนั้นเรียกว่าเผชิญหน้ากับมันแล้วพบว่าพระงพระวันเนี่ยเป็นวิธีที่จะจัดการความกลัวได้ดีที่สุดเนะพราอะไรพอพอไปไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงที่ที่เรากลัวเนี่ยก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยกลัวเวลานั่ง ก็ลองนั่งดูก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวไอ้ความกลัวนี่เกิดจากสิ่งที่ปรุงแต่งไปเองแต่พอเจอของจริงเขา้ามันก็ไม่ได้น่ากลัวหรือไม่ได้เร็วร้ายอย่างที่นึกเอาความกลัวก็หายไปเพราะว่าเห็นพราะมีปัญญาหรือเห็นความจริงว่ามันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวนะอันนี้แหละที่อา่าที่ตรงกับที่ นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะแกเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังมากมารีคูรีเนี่ยเป็นผู้หญิงนะชาวโปแลนด์เป็นคนที่เก่งมากได้รันโนเบลมาสองครั้งแกบอกว่าในชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือพอเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็หายกลัวและที่จะเข้าใจได้ไม่ใช่คิดเอานะแต่ว่า ไปสัมผัสไปเจอไปประสบด้วยตัวเองก็จะเข้าใจคือรู้ว่ามันไม่มีอะไรอย่างที่บอกมีบางคนเป็นนักธุรกิจกลัวนะกลัวที่จะทําอะไรใหม่ๆเพราะว่ากลัวล้มเหลวนะก็เลยไปไปลงทุนแต่ในกิจการที่มันชัวร์แต่ก็ไม่รู้สึกสนุกนะไม่รู้สึกสนุกแต่ว่ามันชัวร์ไงคือว่าแ น, แน่ใจว่าไม่ไม่ขาดทุน แต่ว่าธุรกิจไหนที่มันมีอะไรที่ชัวรรอเเ็นะมันไม่มีนะบอกว่าในสุดก็เจอนะเจอดีนะธุรกิจที่ตัวเองคิดว่าชัวที่สุดนี่ก็ยังล้มเหลวขาดทุนนะแทบจะแทบจะล้มเลิกกิจการเลยไอ้สิ่งที่แกกลัวนี่ในสุดมันเกิดขึ้นจริงก็ทุกนะแต่ว่าทุกได้ประเดี๋ยวเดียวก็พบว่าเออ มันไม่ได้แย่อย่างที่เรานึกนะโลกก็ไม่ได้ถลม่มฟ้าก็ไม่ทลายตอนนั้นก่อนที่จะก่อนก่อนที่จะล้มเหลวนี่ก็กลัวมากเลยว่าล้มเหลวนี่มันจะมันจะต้องแย่มากเลยบอกว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่ตัวเองคิดก็เลยหายกลัวเลยตอนหลังก็เลยกล้าที่จะเสี่ยงทําอะไรใหม่ๆนะลงทุนในกิจการที่ไม่มีใครเขาทำแต่ว่าคิดดูแล้วเออมันมันเข้าท่า ก็กลายเป็นว่าทําธุรกิจได้สนุกนะมีชีวิตชีวาแล้วก็ได้อะไรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นหัวใจของมันคือเจอหรือทําความคุ้นเคยกับสิ่งที่เรากลัวกลัวความมืดต้องไปเจอความมืดนะมันถึงจะหายกลัวแล้วพอหายกลัวแล้วนี่ก็จะพบว่าในความมืดนั่นเองก็มีความสงบมีความวิเวกแต่ก่อนนี่นึกแต่เห็นแต่ความวังเวง แต่พอหายกลัวแล้วเนี่ยความวังเวงก็กลายเป็นความวิเวกสงบอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะหลายคนเรียกว่าส่วนใหญ่กลัวความตายในะความตายนี่ก็ทําให้ผู้คนมากมายนี่ไม่อยากนึกถึงแล้วก็มีชีวิตเหมือนคนลืมตายก็คือว่าพยายามทําตัวให้วุ่นทําใจไม่ให้ว่างนะจะได้ไม่ต้องนึกถึงความตายก็เลยไม่ได้เตรียมตัว แต่เวลาใครพูดเรื่องความตายขึ้นมาก็ภาวาไม่อยากให้พูดเสร็จ แ, แล้วก็เลยในความกลัวตายก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้ทําความรู้จักกับความตายก็กลัวตายอยู่นั่นแหละพอรั่วตัวเองเป็นโรครายนี่เนื่องจากไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนก็เลยเป็นยังไงเหมือนกับคนตายทั้งเป็น หลายคนนี่พอเนื่องจากไม่ได้เตรียมตัวรับความตายเพราะกลัวตายไงพอวันดีคืนดีพวกตัวเองเป็นมะเร็งตกใจอยู่เหมือนคนตายเลยหรือว่าเหมือนอยู่แบบตายทั้งเป็นคือมีลมหายใจนะแต่ว่านอนไม่หลับกระสรับกระส่ายไม่มีชีวิตชีวาตั้งที่อาจจะเป็นมะเร็งแค่ระยะที่หนึ่งที่สองเท่านั้นเองแต่มันเหมือนคนตายไปแล้วนะ นี่ไม่ใช้พราะมะเร็งนะแต่เพราะความกลัวมะเร็งและความกลัวตายก็มีภารติว่าคนกล้าตายครั้งเดียวคนกลัวตายหลายครั้งนะเพราะว่าพอคิดถึงความตายเมื่อไหร่ก็เหมือนกับตายไปแล้วแล้วถ้าเกิดตายจริงๆเมื่อไหร่นี้ก็เรียกว่าตายแบบหลงตายเลยคือตายด้วยความทุรนทุรายคนเรานี่ต้องเรียนรู้นะในการที่จะเรียนรู้ที่จะ ทำความคุ้นชินกับความตายนะเพราะอย่างที่บอกว่ากลัวอะไรก็ตามนะต้องเข้าไปเจอกับสิ่งนั้นมันถึงจะหายกลัวกลัวควา ม, มือต้องเข้าไปเจอความมืดกลัวความล้มเหลวก็ต้องยอมเจอความล้มเหลวบ้างนะกลัวลำบากต้องไปเจอความลำบากบ้างแล้วก็จะรู้ว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดในนอนเดียวกันกลัวตายก็ต้องเจอนะกับความตายหรือว่า กล้ชิดกับมันบ้างอันนี้เราคือเหตุที่ผู้เจ้าสอนให้เจริญรอนัตสติเสมอการเจริญรอนัตสติคือการระลึกถึงความตาไว้จะเกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ความคิดแต่ว่ามันมันก็เป็นสิ่งเดียวมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทําได้เพราะว่าคนเรามันตายครั้งเดียวเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตายจริงๆก็ต้องซ้อมเอาไว้ก่อนด้วยการนึกถึงหรือว่ า, าไป อยู่ใกล้ชิดกับความตายนะไปได้เห็นคนที่เขากำลังจะตายหรือว่าไปได้ช่วยเหลือคนที่กำลังจะตายเช่นเป็นจิตอาสาในโรงพยาบาลมันก็ช่วยทำให้คนเหล่านี้เนี่ยเขากลัวตายน้อยลงนะเพราะพบ ว, ว่าเออบางคนก็ตายอย่างสงบนะแล้วก็อาจจะเห็นว่าบางคนตายไม่สงบแต่นั่นก็เพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวที่จะ คุ้เคยกับความตายเลยไม่ได้เจริญร้อนนัสติหรือไม่ไม่คิดที่จะเจริญมร้อนนัสติได้ซ้ำนั้นการการระลึกถึงความตายหรือว่าการซ้อมตายเสมอเนี่ยมันเป็นวิธีที่จะช่วยทําให้เราสามารถจะก้าวพ้นความกลัวตายได้แล้วคนเราทำไมกลัวตายแล้วเนี่ยนะก็มันก็ให้ิสารภาพกับชีวิตได้เยอะแยะ เพราะว่าให้ความกลัวตายมันทําให้มันเป็นตัวเหมือนกับเป็นโซ่ที่เหนี่ยวรังไม่ให้เราทำอะไรต่ออะไรมากมาย ท, ที่อาจจะมีประโยชนนะ์หรือว่าใช้ชีิตแบบถ้าไม่ใช้ชีิตแบบหดถูเศร้ามองนะแต่พอไม่กลัวตายแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออนะชีวิตมันมีความโปรงโล่งสดใสามากขึ้นก็ถึงมีพาสิทธ นะเป็นคํากรอนว่าเราลึกถึงความตายสบายนักคือถ้าลึกถึงความตายเป็นมันก็จะสบายเพราะมันช่วยทําให้ปล่อยวางได้ง่ายมันตัดรักมันตัดรักหักหลงในสงสารบรรเทามือดอมหันอันตรการทําให้ห า, หายสะดุง้งไม่ยุ่งใจอันนี้ก็เป็นกรอนนะที่หลวงพ่อท่านหนึ่งท่านแต่งเอาไว้ซึ่งก็จริงมากทีเดียวการเราลึกถึงความตายยังช่วยทําให้ เราปล่อยวางจากความทุกข์ความกลัดกลุ้มใจได้อย่างสตีฟจอบเนี่ยตอนที่เขายังไม่ตายเนี่ยสี่ห้าหก้าปีก่อนที่เขาจะตายนี่เขาพบว่าเขาเป็นมะเร็งตับอ่อนนะแล้วเขาก็พบว่าไอ้การที่เป็นมะเร็งตับอ่อนนี่มันก็มีประโยชน์นะมันทําให้เขารู้สึกเลยว่าความตายใกล้เข้ามาแล้วมันทําให้เขารู้่ึนถึงความตายอยู่เสมอ แล้วก็เพราะว่าพอเรารู้ถึงความตายแล้วเนี่ยมันช่วยทําให้เขาปล่อยวางได้หลายอย่างนะก็เคยพูดว่าไอ้ความความภาคภูมิใจความถือตัวความกลัวหน้าแตกหรือกลัวผิดหวังเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจิ๊จ่อยเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่ามาลายหายไปทันทีเมื่อนึกถึงความตายคือเอนึกถึงความตายแล้วเนี่ย ไอ้เรื่องทั้งหลายทั้งปนมันกลายเป็นเรื่องเล็กไปหมดเลยไม่บอกความรู้สึกเสียหน้ า, หาการถูกเพื่อนตําหนิงานการไม่ประสบความสําเร็จของหายเงินหายพวกนี้มันเป็นเรื่องจิตใจไปนาะทีมเมื่อถึงความตายก็คือทําให้ปล่อยวางได้เพราะว่าขนาดเรื่องจิตใจเหล่านี้นะยังปล่อยวางไม่ได้แล้วถ้าไปเจอความตายจะเป็นอย่างไร คนส่วนใหญ่เนี่ยทุกข์กับเรื่องเหล่านี้ความสึกเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีเพราะว่าไม่ค่อยได้นึกเลยว่าตัวเองนี่จะต้องตายสักวันใดวันหนึ่งไอ้หน้าตาที่หวงแหนศักดิ์ศรีที่เป็นบ้านเป็นหลังเนี่ยพอใกล้ตายมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินเงินทองมีมากมายแค่ไหนหวงแหนเพียงใดมันก็ไม่ได้ช่วย ให้ตายสงบได้เลยมีหนาซ้ำตายไปก็ออกไปไม่ได้มันก็จะเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่คู้คนไล่ล่าพยายามหามันมาสะสมขนาดที่เรียกว่าพร้อมจะฆ่ากันนะเพื่อจะได้มีอำนาจมีเงินทองมากมายให้สิ่งเหล่านี้นี่มันมันแทบจะสูญเปล่าไร้คุณค่าเมื่อถึงวันที่จะต้องจากโลกนี้ไป เพราะฉะนั้นเนี่ยการเราลึกถึงความตายเนี่ยมันมันช่วยได้หลายอย่างทีเดียวนอกจากช่วยทําให้เราคุ้นชินกับความตายแล้วกลัวตายน้อยลงแล้วยังทําให้เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเรารู้ว่าอะไรคือคุณค่าสาระที่แท้ของชีวิตไม่ไปมัวทุ่มเทรหรือหลงงมงายกับพวกลาบยศนะอานาจนะจนกระทั่งลืม คุณงามความดีลืมธรรมะนะลืมการสร้างบุญสร้างกุศลให้บุญกุศลเหล่านี้นี่บุญกุศล น, นี่มันมีอนิสงส์มากกว่าเยอะนะเพราะว่าทำให้ใจสงบแล้วก็สามารถตามติดไปในภพหน้าได้ไอ้เงินทองนี่เอาไปในภพหน้าไม่ได้เลยเช่นเดียวกับอํานาจหรือบริษัทบริวารและตอนจะตายนี่เงินทองก็ไม่ได้ช่วยให้ตายสงบหรือว่ามีความ สุขได้เลยกลับรู้สึกเสียดายเลยซ้าไม่ต้องพลาดจากเงินทองไปอํานาจวา ส, สนาก็เช่นเดียวกันั่าแต่ความดีหรือบุญกุศล น, นี่นะนึกถึงทีไรก็มีความสุขตอนทําก็มีความสุขทําไปแล้วนึกถึงเมื่อใดก็มีความสุขและเวลาใกล้าตายนึกถึงก็ทําให้มีความสุขอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าบุญย่อมทําให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิต คือในเวลาสิ้นชีวิตเนี่ยพอนึกถึงความดีที่ได้ทำนึกถึงบุญกุศลที่ได้บําเพ็ญเนี่ยก็จะเกิดความปิตติเกิดความภาคภูมิใจก็ทําให้ตายสงบแล้วก็ไม่กลัวปรโลกนะเพราะมั่นใจว่าได้ไปสุคตินะแน่ใจถ้าคิดถึงเงินตอนใกล้ตายคิดถึงอํานาจตอนใกล้ตายนี่มันกลับตายยากนะเพราะว่าเสดายห่วงอาลัยอย่างพระในสมัยพุทธกาลมีองค์หนึ่งเนี่ย ไดจีวรใหม่มาพี่สาวให้เป็นจีวรอย่างดีสมัยก่อนนี่จีวรนี่เป็นสิ่งที่หายากมากมีค่ามากพระธรรมดาปกติก็ต้องไปเก็บจากผ้าหอศพนะแต่ใครที่ได้จีวรที่ทอมาด้วยผ้านะด้วยฝ้ายนี้ก็สึกโอ้เป็นของมีค่าท่านก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน แต่ว่าไม่ทันจะได้ใช้ก็เกิดมรณะภาพตอนที่ใกล้อะมรณะตอนที่จังหวะที่ใกล้จะมรณะภาพในจิตสุดท้ายนั่นนึกถึงจีวอไม่รู้ว่านึกเพราะเสียดายที่ไม่ได้ครองจีวอหรือเสียดายที่ไม่ได้สนองศรัทธาของพี่สาวเพื่อพี่สาวได้บุญบอกว่าพอตายไปก็ไปเป็นเลนในจีวอนคือไม่ได้ไปดีนะจนกระทั่งพ้นเจวันครบอายุของเลน ตายไปถึงได้ไปไปสวรรค์นี่ท่านนึกถึงทรัพย์สินเงินทองนี่ไม่มักจะไปไม่ดีนะแต่ท่านนึกถึงบุญนี่ไปดีนะเพราะนั้นเนี่ยการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแต่คนสมัยนี้นะก็เห็นคุณค่าของบุญกุศลน้อยไปมัวลหลงไหลกับเงินทองอันนาวาสนาใชเยอะมันก็เลยชีวิตไม่มีความสุขแล้วก็สุขกติก็เป็นที่หวังได้ยาก เพราะนั้นการการระลึกถึงความตายนี่นะมันจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เราเร่งทำความดีไม่มาหลงงมงายกับพว ก, กประโยชน์สุขทางโลกที่มันเป็นของชั่วคราวาแล้วก็พูดกันเท่านี้นะกลับครบ